มีชื่อเสียงมากนะมีชื่อเสียงทั้งในแง่งความร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ในแง่งความสำเร็จนะกาทำธุรกิจซึ่งก็สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่นะก็คือการทำธุรกิจซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตชื่อคนนี้ชื่อแจนะ็คมาธุรกิจของเขาเนี่ยชื่อจำง่ายนะอาลีบาบาอลีบาบานะ รวยมากนะตอนนี้มีสินทรัพย์ส่วนตัวก็มีสินทรัพย์ประมาณ7แสนล้านนี่เรียกว่ารวยแบบจากไม่มีอะไรเลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นเศรษฐีเมืองไทยก็ประเทศเสือพื้นหมอนใบนะชีวิตคขาน่าสนใจมากนะเพราะว่าเขาประสบความล้มเหลวมาเกิดจะตลอดเลยตอนเป็นเด็กก็ถูกเพื่อนแกล้งเพราะตัวคนเล็กนะ นักเรียนตัวใหญ่ก็แกล้งเขานะแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาก็สู้นะเรียนจบมาคะแนนก็ไม่เคยดีเท่าไหร่สอบเข้ามหมายาไลสามแห่งก็ไม่ได้สามครั้งก็ไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็ได้เข้าวิทยาลัยเรียนจบมาแล้วก็สมัครหางานทําก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าเนี่ยถูกปฏิเสธถึงสามสิบครั้งนะสมัครงานสามสิบแห่งก็มีใครรับเข้าเลยสักแห่งเป็นตํารวจตํารวจก็ บอกว่าเขาไม่มีความสามารถพอมีความหนึ่งก็หมู่เมืองเขาเนี่ยเปิดร้าน KFC นะ KFC ก็มีคนไปสมัคร24คนนะ mm. เขารับ23คนแรกนะส่วนเขาเนี่ยคนที่24นี้ไม่รับนะโอ้มนเจ็บปวดนะสมัคร24คนนะทุกคนได้หมดเลยอยู่เป็นเขานะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนร่ำรวยนะ แล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันในในเมืองนอกมาเพราะว่าในบริษัทของเขาเนี่ยหุ่นขเขาเนี่ยอลีบาบ า, าไปไปเขาเรียกไปเปิดไปขายหุ้นนะมีการเปิดขายที่ที่อเมริกานะวอลต์สตูดก็คนก็แห่ซื้อนนะเพราะว่ากิจการเขามันใหญ่โตมากมีคนใช้มีคนซื้อขายผ่านอลีบาบานี่วันละร้อยล้านคนนะ หลายล้านคนเนี่ยก็คือก็มากกว่าประชากรไทยนะซื้อขายกันนะ่ะซื้อขายผ่านอ่ากิจการผ่านออนไลน์เนี่ยขายอเมซอนน่าจะใหญ่กว่าอเมซอนเยอะอเมซอนนี่ก็้าาใหญ่แล้วนี่อารีบารมันใหญ่ไปเยอะเพราะประเทศจีนนี่ประชากรมันต้องพันล้านคนแล้วตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยคนก็ไปหาซื้อหุ้ของเขาหุ้นเขาก็เลยอ่าสูงมากนะแต่คนที่เขาประสบความสำเแบบนี้เนี่ยนะคนก็ไม่ค่อยรู้นะว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะก็เจอความล้มเหลวเยอะนะสมัครงานก็ไม่ได้นะถูกปฏิเสธสามสิบแห่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถึงแม้จะสมัครงานไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความหวังนะนักก็เราจะดับบุบนะหรือว่าถึงถูกปฏิเสธนะมากกว่านั้นนะก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะจบเพรนนะมันนี่มีทางไปนะ นะสมัคนไปสมัคร ง, งานไม่ได้นะสี่ห้าครั้งก็เลิกแล้วชีวิตชันหมดอนาคตละนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวอย่างแบบนี้มีเยอะทีเดียวคนที่เขาถูกปฏิเสธหา ง, งานทาไม่ได้นะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วมองดูดีๆนะการที่เขาถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงานที่นนที่นี่ เป็นไม่ได้รับเป็นพนักงาน KFC เนี่ยดูดีๆนะมันไม่ใช่ครองนะมัเป็นโชคนะเพราะว่าถ้าเขาได้รับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน KFC อาจจะไม่รวยอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะก็อาจจะรับอ่ากินเงินเดือนไปนะเป็นวันๆไปหรืออย่างมากก็อาจจะเปิดกิจการขายอคล้ า, ายๆ KFC จากการที่เขาตกงานเนี่ยทำให้เขาเนี่ยก็เลยต้องไปเป็นครูสอนสอนทั้งสอนภาษาอังกฤษนะเป็นครูสอนแบบส่วนตัวนะไม่ได้เป็นครูในโรงในโรงเรียนแล้วตอนหลังก็จับผ้าจับผูไปไปล่ามให้กับบริษัทธุรกิจคนจีนในอเมริกาแล้วก็เลยรู้จักอินเทอร์เน็ตนะ รู้จักว่ามันมีอการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็เลยเริ่มเปิดกิจการนะไม่มีทุนทําร้านของตัวเองกนะ็เปิดกิจการออนไลน์นะก็กลายเป็นว่าเขาจับนะถูกจุดนะแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรด้วยอาศัยว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษดีนะเรียนเองนะภาษาอังกฤษนี่เรียนเองไปเรียนยังไงเรียนจากนักท่องเที่ยวนะ อาสาเนี่ยอาสาเป็นใกด์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเมืองจีนก็บอกว่าอาสาเป็นไกด์ให้ฟรีแต่ว่ามีข้อแม้ว่านักท่องเที่ยวต้องสอนภาษาอังกฤษเขานทีส่สอนแบบเรียนภาษาอังกฤษแบบคู่พักรักจํำนะแต่ว่าตอนหลังภาษาอังกฤษเขาก็ก็แข็งมากนะสามารถคุยกับฝรั่งได้สบายเลยถึงไม้เป็นล่าม อันนี้ก็น่ากินนะคนไทยหลายคนนี่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนะตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 นะพูดไม่ได้เลยนะอ่านก็ยังอ่านตะกุตกตะกักไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเขียนและการฟังนะแต่นี่เขาไม่ได้เรียนจากโรงเรียนเลยนะแต่อาศัยการเรียนรู้จากนักท่องเที่ยวแล้วคงจะ ไปเรียนเองด้วยจานหนังสือหั้งหาที่เท่าที่จะหาซื้อมาได้หรือว่าเท่าที่จะหยิบยืมมาได้อันนี้ก็เห็นได้นะว่าการเรียนการเรียนนอกรูปแบบนะหรือโดยไม่ต้องผ่านโรงเรียนนี่บางครั้งก็ได้ผลดีกว่าเรียนในโรงเรียนด้วยซ้ํานะแต่ตัวอย่างที่อยากจะบอกคือว่าเนี่ยคนที่เขาประสบความล้มเหลวนี่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าชีพมันจะหมดสลังนะมันยังมีทางไปและที่จริงไอ้ความล้มเหลวนั่นแหละ มันกลับเป็นของดีนะเพราะว่าถ้าเกิดได้งานทำก็คงจะไม่มามาเปิดกิจการนะอย่าง阿里巴巴เนี้ยนีคนนึงก็คล้ายกันนะชื่อยานยานคุมเป็นชาวยูเครนนะยากจนมากต้องอพยพมาอยู่อเมริกามากับแม่เพราะว่ามาได้ไม่ทันไรแม่ก็ป่วย นเงินทองก็ยังหาไม่ได้เลยนะพออ่อยุ่งยังน้อยแค่สิบหกสิบเจ็ดนะแม่ป่วยแต่ว่กากลายเป็นโชคนะเพราะว่าพอป่วยนี่ก็เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ทางอเมริกาเขามีสวัสดิการหาให้เงินนะสําหรับผู้ป่วยผู้พิการนะก็เลยได้เงินสวัสดิการเนะี้ยมาอซื้อข้าวปลาอาหารพอประทังชีวิตอยู่ได้แล้วก็เรียนหนังสือเองนะมีหนังสือ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเก็บได้ก็เอามาเรียนเองต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ต้องเรียนหาวิชาความรู้เองจนกระทั่งมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปสมัครงานทำงานกับย h o ูนะทำงานมาสิบปีก็ความรู้ก็พอกผุนมากขึ้นเสร็จแล้วก็เบื่อนะลางานไปเที่ยวสองปีที่เม็กซิโกกลับมาจะมาสมัครงานทำนะ ไปสมัครงานที่ไหนนะตอนนั้น Facebook เ a c e b o o k นี่ก็เริ่มดังแล้วก็วไปสมัครงานกับ Facebook นะ Facebook ไม่รับนะแล้ว ก, ก็เบิดไม่รับตกงานตกงานสองปีแต่แทนที่จะแทนที่กลายเป็นครอนะกลายเป็นโชคนะเพราะว่ารว่างที่ตกงานเนี่ยไม่มีงานทำก็เลยคิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนี้มีชื่อมากในภายหลังชื่อ h a t s a p p นะว a t s a อ p นี่คล้ายกับไลน์นะ ไลน์เนี่ยคนไทยนิยมมากนะแต่ว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยวอทช์แอปดังกว่ามีคนใช้ WhatsApp เนี่ยประมาณ450ร้ยล้านคนป่านนี้ก็500ร้ยล้านคนแล้วมั้งไลน์ลนี่ใช้ไม่รู้ถึง100ลาวว้านคนหรือเปล่าแต่ว่า WhatsApp นี่ใช้กันเยอะมากนะถ้าไปยุโรปอเมริ ก, กานนเนี่ยเใช้ WhatsApp กันทั้งนั้นน่ยตอนหลังสักก็เบิดสนใจนะก็เลยขอซื้อนะขอซื้อนะ ซากกะเบคนเดียวกับที่เคยปิเตไม่รับงานไม่รับเข้ามาทางานเนี่ยตอนนี้ต้องมาซื้อซื้อกิจการของเขานะซื้อเท่าไหร่รู้มสองมื่ล้านดอลลาร์นะสองหมื่นล้านดอลลาร์นะก็กลายเป็นว่ารวยไปเลยนั้นนานยานเนี่ยกับเพื่อนชื่อไบรอันรวยไปเลยที่รวยเพราะอะไรเพราะ่ตกงานนะซักกะเบิดไม่รับเข้าทางานซบุ๊กกเลย ต้องมาเขียนโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมก็ดันดีซะด้วยง้นการตกงานนี่บางทีมันเป็นโชคนะแต่ว่าเป็นโชคอัมพรางเพราะใครๆก็นวาเป็นเคราะห์สมัครงานไม่ได้นี่ก็เป็นโชคนะแต่เป็นโชคอัมพรางนะเพราะว่าแรกๆคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่ามันเป็นการเปิดให้เขาไปหาโอกาสใหม่ก็ทำให้จับเส้นถูกก็รวยไปแต่นายนายา น, นี่แกก็ดีนะ แกก็ไม่ได้เป็นคนโลภสทาไหร่นะได้เงินมากแกก็ยังใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายแล้วก็พยายามเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อไปอันนี้ก็เล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยฟังเอาไว้นี่ก็เํามาเตือนใจได้ดีนะเวลาเราประสบความประสบอุปสรรคนะตกงานหางานทําไม่ได้หรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยดูดีๆอาจจะเป็นโชคก็ได้อ่เตรียมรับพร